ทำมของพระเจา้าขันทาวในหลายเ น, นแต่ละสิงได้อย่างแล้วในที่กันท า, าวัาจขอขอตจนคอยสอนายสอนใจของมนุษย์มาติดเหลือดีใสของผู้นพ่ปฏิบัติปี่บาตนั้น การพิว่าเป็นคำสาคัญผู้ใดปราถนาอย่างใดถ้าหากตเพืดไปต า, ตามเรื่องของอิทธิบาทผู้นั้นจะได้ท่องเล็กตามคำมุ่งมาปราถนาเราพิจารณาเรื่อง อ, อิทธิบ า, บาที่พระพุทธเจ้าต่ัสอาไว้อิทธิบาทคือนอต้นคำ้อนดานาอ่าสัมคัสคอใจละไข่ในสิ่งืี่ตนปราถนา สิ่งที่ตต้องการ ต, ต้องการอยากจะเปันผรุิผู้ปฏาใจรักใครเราทาสาหรับ่จะทําตนเราเป็นผู้ประวุฒิผาควรอยากจะไปสวรรค์สันติอยากจะต้ อ, อ, ยะต อ, อยู่ราชาดีมานต้องการความสุขความสบายหางนั้น เด็ดผลที่บุคคลเหล่านั้นได้ไปสวรรค์มีทาอะไรควรที่พวกเราจะสนใจในการแบบนั้นสริ่มทานการบริจาคท่านก็กล่าวว่าจนใครที่จะให้เราสู่สวรรค์เมื่อเรารู้ว่าทานการบริจาคเปนใครเราสู่สวรรค์ได้เราก็สะสม ตารเหตุารณ์ให้มากในใจในใจของเราผู้นั้นเมื่อปรดัตภ า, าพจากภาพขันก็จะได้ไปสู่สวรรค์ตามความมุ่งหมายจากเสนหรือนิรุลิอาตาตัตติบากลัวบาตเตียงบาตเป็นคำของเทวบาผู้ตัางหน้าต่างต่างแต่ชุดปฏิบัติตามธรรมเหล่านั้น ก็สมรตบตามความมุ่งมั่นตามแผนจะได้ไปเป็นตัวสมุทรตัวที่ดาหนูน้าถึงสันคะสันท้าตัวนี้เป็นตัวสำคัญผู้มุ่งมั่นอยากจะไปธรรมโลกก็พเวรยานฝึกจิตอบรมใจทองตนฝ่าเป็นสมาธิฝ่ามี้ามสมาับตสำหรับจิตใจ เมือจากอาตาาตัตภาพไปก็ไม่คิดหวังผู้ที่บบทอยากแยบพ้นได้จากสมดุดขวาไปถึงขันทุงสุดแล้วถึงชายทานก็สร้างคนงานท า, านดีตามมาสื่พระคุทพเจ้าทรงมันหยาดเอาไว้หมู่คนผู้นั้นก็ไม่นเหลือดีใส่แต่ต้องไปถึงจิงมาาตมหาทานหรือพระนิานได้เหน้นกัน มี่ไหนจงว่าสังทัคษังทะความพอใจรักให้อยากได้ในสิ่งนั้นถ้ามีสังทะความรักให้ความพอใจแล้วอยากจะไปะถานที่ใดถึงจดตหมงปลายทางได้ถ้ามีสันทะเราเหลือมีอใสจะทำอะไรผวามีความพอใจรักให้ในการงานนั้นคนนั้น ถึงจะไม่เคยกระทาแต่เพว่าความพอใจมีศึกษา อ, กกอยู่บอ่อยมัน ท, น ท, มมทนี่นิจใจนาอยู่บ่อยมันก็ทําอยู่บ่อยเมื่อทำเลยหยุดเลยถอยก็ทำมีถุนเส้นพวดทุ้งด่นบินด่านถึนนงฝนปวดทิ้งทางงานภายนอกทางโลกเมื่อทำเลยหยุดเลยถอยศึกษาเลยถอยมีใจรักให้ชอบใจ ในสิ่งเห่านั้นพยายามอยู่ในถอยก็สำเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์ใา้เหมือนกันเมื่อมีความรักใครพอใจในสิ่งใดสิ่งนั้นท่านเรียกว่าอิสุบาคมีฉันทะขอสนทุกคนที่มุ่งหวังอยากจะไปสู่จะฐานที่ดีมีความสุขเขาที่นิพพยานมาติดใจทั้งคน คนรักใขร่ความสุขจริงจังไหมเหนือรักใขร่คารสุขจริงจังคนที่จะไปสู่ความสุขได้า่ารทาอย่างไรก่อนที่จะนาถึงนแนวแถวของผูกใหญ่ทำนั้ น, นั้นคีอผ่านเรีนรับความสุขความสบายเหมือนมีสัญชาพอใจรักใขร่วริยะข้อที่สองจะต้องโผล่หน้าตามมาคือมัน เพี้ยละจิตใจเหมือนั้นเมื่อวางภุรษจะทำหน้าทีอะไรเดินจงกรมภาวนาใส่ทานรักษาชีนหรือทำการงานภายนอกเหมือนกันเมื่อมีความพอใจรักให้ในสิ่งนั้นท่าวเพี้ยนจะต้องติดตามมาคือถ่าวเพียนพยายามรักษาข่าวเพียนพยายามจะทำในสิ่งที่เป็นรักให้ ในต่อยในวางคิดถูกอย่างไรหมั่ น, ท, นที่จะได้มาศึกษาในตัวหรือเดือยใไปเอาใจใส่เป็นพิเแล้สนสิงที่เป็นรักให้เป็นขาเป็นเสื้อเหมือนนั้นอย่างว่าหดตักดี่ตามอาอยใส่ในสิจง ท, ทำไปเฉยๆจะนั่งเพราะว่านาะหลับหูหลับตาบริสัม ก็ให้เอาใจใส่จริงๆินแจงแจงใปล่ยแต่ปลอยลมกำหนดอะไรเจดช่องอยู่นั้นจนให้เห็นผลเห็นประโยชน์จากการกระทำบำเพ็ญของตนถ้ า, าจิตใจเลอะเลียนจากทำบริกรรมขางตนก็ให้มันแับสนสนว่าการปล่อยจากบริกรรมหรือทำใจ เราจะ้ป เ, เอาจริเอาจรงขมเกิดขึ้นอย่างไรที่เราเคยทำมาถ้าหากเราเลีออ้ยวไหลในตานนี้เวลานี้ต่อไปเราคนเก่าก็าจะเลีออ้ยวไหลอย่างเต่าเมือ่อผูกมั ด, ดจิตใจละย่างนั้นตั้งใจจดจ่อยิงจังในทำบวิกรรมของคนจะกำหนดพุทโธทำโมสังโฆนี้น 阿ห่ลาดทาโตสุตนหรือจะกาหนดอะไรต่ตามจให้เห็นผลจากการกาหนดขงตนเพื่อให้จิตเกิดลมรวมและเกิดวามตลาดสบายเยอนเย็นลงไปได้ซึ่คอยหยุดคอยถอยสะอาดทำเยลลุลุ่มๆตามทำไปกว่เสียไมได้แต่เอาใจใส่ไม่มีการรักใข่ไม่มีการผาักเปลี่ยนพยายาม ขาสัญภาติเร the ียนยะจิตตะจิตของเราก็เข้าถึงจสตไม่ได้จะทำอะไรก็เหมือนโงบังในองปปาฏิหาริย์แผ่นจสอนให้มีอิทธิบาททั้งสี่คือสัญภาตความพอใจรักใคร่ในหน้าที่การงานตามพอใจรักใค้่ในการบุญการสืบสนในตามผาดคามเพียรข้งสนเริยลยะขาดเตียนพยายาม ความสา้าชนะความชอบใจความรักใขร่ท้องตนหยุดตั้งเอาใจใส่อยู่ทุกกางทุกสมัยได้ปล่อยถเถอะละลายมีป ต, ติเจิดจองมีในสิ่งที่ตงต้องการ ม, มาีมังษามันคิสอบทบทวนดู่ยงความเายเหรอเย ลายได้อย่างไรคือจนทำลงไปมย่างดคือว่าอิทธิบาทคนที่มีอิทธิบาท 4, ทั้งสี่ใจจำจิประจําใจของคนพเทพเจ้าจ้าวว่าบุคคลผู้นั้นจะปราถนาสิ่งใดสมความมุ่งมากตราธนาม่เหลือวิสัยแต่จิตใจของเรายากได้อย่างนั้นชอบอย่างนี้อยากมีออยากเงินอยากรู้อยากเห็นมืแต่ทำอยาก สัารคารัดเขาในหน้าที่ที่จะนาไปสู่ความต่อการทัางตนเลยมีุยะคามผ่าเพียนพยายามติดตามหน้าที่ น, นั้นไม่มีติดตาในเอาใจตักใส่ยึม่าในข่ายาควรที่นี้จราาร่ น, นั้นจึงไม่สมบันในเรื่องที่ตนต่องกรับ เรามีอิทธิบาททั้ง 4, สี่ในสัญชาติญกณจิตศาสตร์ดุลังษาไปจําตัวข้อมูลอยู่แล้วเรื่องทุกสิก่งทุกอย่างที่เราปรารถนาเราต้องการพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเหเนื้อดีใสหนึ่งเป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าจีตศาดเอาไว้และทางอธิการนาจิงจังก็เป็นของแน่นอน หากจิตขอเราไม่ทอดไม่ถอนขอบใจรักใครใ้สิ่งใดมีความผาคเพียนพยายามในสิ่งนั้นเอาจิตใจฟักใสใสทวนที่ม่ติเจนะทบทวนดูรายด่าลายเสียโดยไม่ปล่อยพละงีาิตอย่างไรก็าตามจะเป็นการงานไทยนอกหรือการงานภายในจะเป็นงานทางโลกหรือทางธรรมผู้นั้น หากดูความสมรรกใช่มีความขาดเกียยและเอาใจใส่จินึตและสีบถามดูเรื่องนั้นแนนอนลงไปและไ่ปล่อยใจลอยลมเอาใจใส่อย่างนั้นอย่างไรก็ไม่เหลือดีใส่เวลาการงานเหนื่อไหนจะต้องได้สมความมุ่งมาตาดธนาข้องใจเกิดนั้นเราทุกท่าน เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาบางท่านบางคนขอสนใจอยากจะเกิดอีกอยากจะมีความสุขอยากจะมีความเจริญอยากจะเป็นคนที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอยากจะเป็นคนร่ำรวยม่งคั่งสมบูรณ์หรือบางท่านบางคนอยากจะได้เกิดบนสวรรค์อยู่กปราส า, าทสวรรมีความสุขความเจริญ เหตุเหล่านี้มีความป่าเถน่อนในใจ็นเต็มที่แต่ถ้าว่าฉันทะความพอใจอยากจะได้อย่างนั้นเศรษฐีจะเข้าเจนอย่างนั้นเป็นอย่างไรผู้ที่ได้ผู้ถึงผู้ที่รู้ที่เห็นผี่จนผี้ไปเมื่อเราสืบสอบเรื่องเหตุเหล่านั้นท่านผู้ที่ จะไปสวรรค์ได้ต้อเป็นผู้ที่มีทานต้อเป็นผู้ที่มีศีลต้องเป็นผู้ที่มีเมตตาต้องเป็นผู้ที่มีธรรมะประจําตัวเยรีโอตตะเลื่องบาตตัวบาตรไม่กล้าแต่ทําในที่ถั่วไปหาจิตใจพวกเราเป็นอย่างนั้นก็จะได้ไปสวรรค์ตามความมุ่ง ม, มาตรชนะ ผู้ที่อยากจะลดทอนใจจากกิเลสตัณหาประมันศึกษาพยายามทําตามมัตสีของพร้พุทธเจา้าตรงนีงน้ออสอนเอาไวาพยายามตรวจ ด, ดูจิตใจของตนอยู่ทุกวันทุกเวลาสมาธิทานเห็นชอบเห็นชอบในอย่างจิตใจของเราทวันนี้ดูเห็นเป็นตัวแบบไหย เป็นีสชาชิติไม่เป็นสัมมาชิติใครท่เจริญนาจิตใจนะทใจ่องันอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกระยะคิดปรุงอะไรสึ่งเป็นไปในทางดีแล้วเป้นไปในทางมาแวใครมันคิดปรุงอยู่บ่อยอย่าไปหยุดไปถอยใค้มักเพียงพอขึ้นเห็นท์ท แในการเกิดการตายการเยือนไหวในรัศดาสงสารเมื่อเห็นการเกิดเป็นบ่อของความทุกข์ใหญ่โรคไข้ไข้เกยดขานอนี้เกิดไม่มีตายของเราแล้วโรคไข้ก็ไม่มีที่เกาะขานอนี้เกิดแกก็ไม่มีตายก็ไม่มีเกิดจึงเป็นไข้อันตรายสำคัญที่ท่านนักปฏิบัติเกื่ยวข้ จากทุกจะต้องกำหนดเห้รู้เรื่องเขาทุกทุกเขาความเกิดเป็นส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาแล้วอะไรต่ออะไรทั่วไปมันยึดมันถีมันอยากเดือร้ น, รนกระวนกังวาเธอมาบำรุงร่างกายบำรุงความเกิดแก่ต่อ ก, กันคามแก่ความเสื่อมคามตายเนี่ยดหะเพอาะเกิดเป็นส่วนใหญ จะเกิดเป็นเรื <c oughs> Catholic, C C ่องทุกการที่จะดับความเกิดเราจะดับอย่างไรพ้เราเห็นว่าเกิดมันเป็นภัยอันตรายเกิดเป็นทุกข์ใหญ่อย่างนั้นการไม่อยากเกิดอีกก็ต้องดับเหยุดปัญหาปัญหาความอยากเป็นของสำคัญ ที่จะก่อใจิตใจเขาพวกเราขันเกิดทุกข์ถ้าหากหมดจากความอยากเมื่อไรความทุกข์เรื่องของใจจะดับไปเนื่อนั้นความทุกข์เรื่องของใจดับได้โนยการเจริญมาส่วนความทุกข์เรื่องของใจเมื่อใดเมื่อแท้เมื่อตาย ย, ตตา ย, ยังเป็นอยู่ทุกประจำนันที่พรพิเภก่จ้าท่างกล่าวเอาไว้ ดับไม่ได้เมื่อใดขันแต่สลายเมื่อนั้นทุกประจําขันจึงจะดับไปถ้าขันยังอยู่การหิวาการแตหายการเ ห, น, เ ห, น, เหน็ดการเหนือยการหลับการ น, นอนจะต้องมีประจําอยู่เรื่องของขันเพราะจุดอาศัยขันแต่เรื่องของขันมปจนปวดใหญใหญ่โตเพราะที่ ชารีเจ้าทั่วไปจากตัวกันทางตัวอย่างทุกห้องใจเพราะขันเมื่อตาดก่อสมัยหนึ่งจะต้องแตกจะต้องสลายเมื่อตายไปแล้วสลายไปแล้วม่ก่ออีกม่เกิดอีกทางตัวอย่างความเกิดวัติตที่ร้วน มาถือเพราะถือชาต่างๆเขื่อนนั้นท่านจึงดับเรื่องของใจประพฤตปฏิบัติเพื่อการถอดถอนแก้ไขจิตใจที่จะยึดถือถือเรียกว่าตัญหาตัญหาคือความอยากความอยากของใจทุกท่านทุกคนมีความอยากและเมื่อยังไม่ถือชื่อจุดจุดหมายมความอยากเป็นธรรมดาถ้าหากอยาก ไปนในทางมัไปนในทางดีไปนในทางทำทางด้านในถ้าผู้ใช้เจา้าเจ้าไว้อะเป็นมั่ทางอยากไปนในทางโลกอยากไปนในทางจิดท่านถือว่าเป็นส ม, มทุทัยคือจะทำจิตทำใจให้วุ่นวายทำอยากยึ่งจนเชื่ออันหนึ่งซึ่งพวกเราท่าน แต่พากันประเทศ่อคุ้มงนานคาวามดีถ้าไม่มีท่าอยากาายาก็ทํามไม่ได้ก<ม>ารที่เราท่าได้ก็เกิดจากท่าอยากเราเดินจงกรมภาวนาก็อยากยังให้จิตใจของเราสว่างไสวอยากจะให้จิตใจของเราสงบสงัดเราให้ทานก็อยาได้บุญได้สุขสนิยงป่อยท่าลงไปได้อยากส่วนนี้ไม่ใช่อยากทางสมุทยัยเป็นอยากฝ่ายมากัก คืออยากในทางดีถ้าหากเราจะมาไดยดีเชิญผู้เชิญฐานต้องมีความอยากอยู่เสียก่อนความอยากส่วนนี้เหมือนกันกับเราขี่เรือข่านแล้วต้องอาศัยใจเสียก่อนพอเมือเ่อเรือของเราไปถึงฝั่งเมือ่อใดเราก็ไม่จำเป็นที่จะแบกหามเรือไปว่ามันให้คุณให้ประโยชน์ใจเราไปสถาน ท, ที่ใดจะแบกบ จะหามเรือไปหลาเ่าข้ามฝั่งได้เพราะอาศัยเรือส่ <c oughs> วนนี้ลํานี้ไม่เช่นอย่างนั้นและต้องขึ้นต้องปล่อยพอไปถึงฝั่งเมื่อใดเราจะไปแต่ตัวของเราอย่างสะดวกสบายดอการดําเนินทางจิตทางใจก่ออาศัยทวามอยากเกี่ยก่อนแต่ความอยากเป็นฝ่ายท้องมัดในใจะอยากเป็นฝ่ายทางสมุทยัยต่อเมื่อใดจิตใจของเราหลุดพ้นไปจาก บุญกุศลหรือบาปทำทั่วไปหลุดไปจากสมมุติหลุดไปจากความหวงความหวงทุกสิง ท, ทุกอย่างไปจิตใจเมื่อหลุดออกไปอย่างนั้นใ่ใ่จิดลงรวมในใจจิ ด, ล, ล, ใใจจดละเอียดม่ ใ, ใจจิดเป็นเดญขาธรรมดาเรารู้เราเข้าใจในการเปฏิบัติของเรา ชัดเจนเพราะเราเคยเห็นทำลงรวมด้วยความสงบสงัดข้องใจแต่ความรลุดลอยออกไปอย่างนั้นเาใจมั่นชัดเจนความอยากเห็นอยากรูอยากเป็นผู้วิเิษประเกิ ด, กดอยากส่วนใดที่จะเหลือไห้ในมีเป็นอันหมดจบและความอยากหัวไป ก็ไลยคือว่าเราปล่อยเรือเอาไว้ท่านอยากหมดไปที่ท่านทำเป็นจงกรมภาวนาอย่างพระอริยะเจ้าในสมัยเก่าก่อนหรือปัจจุบันก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเรืออริยาสาวกเหล่านี้ก็สมาบัติที่ท่านทำกรรมฐานของท่านอยู่ทำเป็นวิหารธรรมสำหรับท่าน ไม่มีการปรารถนาอยากจะให้มีวิเศษขึกก้นไปอีกเพราะความหลุดลอยของใจท่านรู้ท่านเข้าใจในใจขณะที่ท่านหลุดลอยพ้นออกไปไม่มีการใดที่จะเศร้าจะใสจะลุ่มจะหลงคามปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดนนกขึ้นมื่อขึ้นจากใจดวงบริสุทธิ์ไม่มี คงที่อยูตังแต่วันรู้จนแต่ทางวันปริมิตทานจนมีอย่างนั้นแต่พวกเราท่านในี่ยนอย่างนั้นจึงอาศัยความอยากเสียก่อนถัดจากฉันทะสันทะพอใจรักใครก็คือความอยากรักใครไอ้สิ่งใดเราอยากจะไปเป็นมนุษย์หรือยากจะไปเป็นเทวดาบูเทว ด, ดาหรือเนอินทรยมยมยักษ์หรือยากจะเป็นโซดาเศรษฐกิจตาอาหา หาเราคิในใจจริงจังคํามภาคยูมิใพยายามติดตามเรื่องหล่นนั้นจะต้องเกิดขึ้นมีขึ้นคัางเอาใจใส่ระวังสังอรในสิ่ง น, นั้นกว่ามีขึ้นมีมังสามันตัวตราที่จะได้มาเดยจิตใจได้เสียอย่างไรคิดถูกอย่างไรก็จะต้องมีขึ้นทายาก จึงบยกว่าชั้นชาเป็นเป็นตัวหัวจัดสําพัญสามารถที่จะล่าสู้ือวิิยะจิตใจวิมังสาให้ไปได้เหมือนกันกับหัวรถไฟถ้าหัวนี้กาลังเรยวแรงจะล่าสู้ ไ, ได้ถ้าหัวรถไฟไม่มีกําลังเรยวแรงก็ลาาเห็นไปไม่ได้เพราะแต่ละสู้เป็นของหนักจิตใจของพวกเราท่าน มันไม่เป็นอย่างนั้นไล่เหเร่ร่อนไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆจะว่าอยากอะไรก็ไม่ใช่แต่เมื่อประสบผลขึ้นมาจึ่งค่อยเสีย อ, อกเสียใจไม่อยากทุกข์ยากอยากลาบากลําลคาญไม่อยากมีโรคมีภัยไม่อยากไข่อยากเจ็บแต่เชื่อว่าการทําทคือกำรครือคิดหรือวาจาที่พูดหรือใจที่ทำไปเป็นผลที่จะให้ความสุข หรือความทุกอย่างไรเราไม่ค่อยคำนึงคำนวณซึ่งทาเราคำนึงคำนวณมันที่นิพพยานาทำไปอย่างนี้ผลจะได้ความสุขไหมหรือจะนําทุกขมาให้เราหมั่นที่นิพพยานาว่าจิงนี้ทําไปเท่าไรจะได้รับความเดือดร้อนแสบเผาตัวของเราถูกํามจิงที่ชั่วเมื่อเราเห็นว่าจะใส่ความเป็นทุกข์ เราก็ครัวเมื่อกลัวก็กววกวกไม่กล้าทำตามก็ย่อมในจิตตามสําหรับผู้ที่ในทำตามเอาไว้เราทุกคนมาได้พิจิตรยานุกผลหรืสืบ ส, สอบอย่างนั้นแต่ปรารถนาผลดีกันทุกท่านทุกคนปรารถนาผลอยากจะให้ดีดให้ดีให้มั่งให้มีให้ไดเจษพิเศษดดอย่างนั้นอย่างนี้ความนึกคิดตรงในจุด เป็นแบบนั้นใต่เหตุที่จะให้เกิดผลอย่างนั้นในคอยชอบกันชอบเกิดผลว่าเป็นอย่างนั้นพวกเราท่านจึงไม่ถึงหรือไม่สสมประจบตามฝ่าฐานะจึงไม่สถึเรจตามความมุ่งหวังของตนเพราะขาดอิทธิบาตทำสืบพระผู้ใช้จ้างทรงแนะนำคมสอนหาพวกเรา ป, รปฏิบัติตามธรรม คือพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ทุกลายไปศาถนาอย่างไรสมหวังพระพุทธเจ้าในตรัสเอาไว้อย่างนั้นจะเป็นยิ่งแค่ไหนขอให้พวกเราท่านพิจารณาทำของพระพุทธเจ้าดูทางห่าไว้พิจารณาดูท่านว่าอย่างไรก็จะเชื่อไปโดยไร่เหตุผล ใช่ในดานต้องพิจารณดูในตัวของเราอีกทีหนึ่งว่าท่านพูดออกไปท่านตรัสออกไปจริงไหมเล็งแค่อย่างไรหาเรื่องทัดข้ามดูถ้าหากยอมจํานนเชื่อมั่นเราพระพุทธเจ้าพูดจริงเราก็ไม่ควรฝ่าฝืนฝืนใจทำสิ่งที่ถูกท่านพูดจึงิงเราเชื่อมั่นในคําพูดของท่านแล้วก็ปฏิบัติกายใจของเราให้เป็นไปตามแถวแนวสิงของพระพุทธเจ้า ตรงนี้นเอาไว้ถ้าเป็นอย่างนั้นทุกลายไปจะไม่เสียดีในการจะทำบำเพ็ญของตนหรือในการปรารถนาผลซึงตนชอบใจจะเป็นไปตามความมุ่งหวังเพราะทำจึงเรียกว่าอิธิบาทเป็นของที่จะให้สำเร็จผลตามจิตของตนปรารถนาเมื่อเรา แตเด็กก่อที่นี่ที่จริญนาทาส่วนนั้นเลยวางเฉยทาคาสั่งสอนจะมีมากมายกายปองสะเทอก็ไปคอยเอามาใส่ใจหรือฝึกอบรมตนปล่อยให้จิตใจทั้งตนเราเห็นเร่ร่อนไปตามสัญญาอารมณ์จิเใจผ่านมาทางตาทางหูทางลิ้นทางปากวนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนั้นอันนี้หลุดไปอันใหม่ โผเข้ามาเลยเป็นสังสรารวัตรหมุนเวียนกันอยู่โดยรู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่ไหนเกิดอยู่ที่ไห น, าไห น, ออไหนตายอยู่ที่ไหนเลยโดยรู้ต้นรูปลายหลงอยู่ทุกการทุกเวลาโดยรู้ว่าจะไปทางหนา้าหรือจะกลับทางหลังจิตใจของพวกเราท่านเป็นอย่างนั้นใ น, น, นตั้งเข็มทิศเอาไว้จะไปสูจ่จุดใด ทำอย่างไรจึงจะไปถึงม่คอยคิดคอยอ่านคิดแต่อย่าจะได้ความทุกขเหมือนกันกับคนสี่ทุกข์ถึจ่จนเป็นเขาหนึ่งเ้าห่มเ้าชายเขาซอยอะไรรู้ละหน้ า, นาดูก็ายากได้ตามเขาแต่เงินทองของชายหรือการงานของเราไม่เหมือนอย่างเขาพอรับทานอิ่นแล้วจะได้ทาการทางานก็กรัวเน็ตต้นตัวเหนื่นอย หลับตื่นนอนได้เพราะพตื่นนอนขึ้นมามือหัยขึ้นกดคิดหาจะไปลักไปขโมยที่ไหนทิ้งจะได้มาเย่าเปล่ายงช่องหรือจะไปขอจากใครคิดใจแค่นั้นการงานซึ่งจะทำแต่การเงินเกิดขึ้นเพราไม่่อยคิดใจอยากจะทินงใจอยู่อย่างเขาผู้สืบดําถีอรวยมันเป็นความสุข แคคิดตาเท่านั้นคือการหลับการนอนการอยู่การกินเท่านั้นแต่การจะทำให้อยู่มีกิน ม, มันไม่ได้คิดเมื่อมันไม่ได้คิดสาวเพงเหตุเขเขามั่นเขามีเขาทอย่างไรไไคิดถึงล้วก็ไม่ได้ทาตามแบบของเขาจะได้ เงินไดทองไดเงาไดของมีความร่ำรวยตามสุขจากสมบัติพักสถานมาจากที่ไหนมีพวกเราทั่วไปกัปท่านนองเดียวกันพระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าท่านสมเด็จมรรผลท่านปฏิบัติเป็นทุกท่านอย่างไรเราเลยอยากได้อยากหลุอยากพ้นอยากถึงกับท่านแต่การเดินของเร า, ม า, าไม่ก่าวไปสักทีพอเดินจะก้าวสองก้าวก็พลอยหลังกับ เมื่อะไรจะถึงเป็นหมายปายทางนด้หาเราสอนตัวของเราอยู่สม่ำเส ม, อ, มอไปและตั้งใจมีสันตะรักให้ในนาที่ผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาขเขาวัดเาวาจำถิญทวนานาที่ของอุบาสกอุบาสิกาผู้อยากจะตัวคิดตัวเห้าดีอยากจะมีความสุขความสงบของใจ จะต้องปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องคิดต้องอ่านผู้เป็นที่ตัวสามาเนนผู้เป็นนักทอดนักบวชในศาสนาพอคิดอย่างไรจิตใจจึงจะหลุดจากปนใจได้จากที่เหลือปัญหาก็คิดก่อนนึกก่อวกก่อวนสอนตนอยู่ส ม, ม่ำเสมอและทำหน้าที่มีสันชาจริงจังว่าทำอย่างนี้จึงจะได้อย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นเชื่อมั่น หากเพียรพยายามชำระจิตใจอยู่สม่ำเสมอไปหากทุกคนเปิดผลตัวอย่างนั้นมีฉันทัความรักใข่ในหน้าที่การงานของตนมีริยะขาดเพียรพยายามทำตามแถวแนวในสุดและจากทางสิ่งพระพุทธเจา้าทรงสอนเอาไว้มือจิตตะเอาใจฟักใส ดูแลเรื่องการงา น, นนั้นัน้นหรเรื่องจิตนั้นนว่าการทำอยู่นี้มันเวทชิดไปสู่สัญญาอรมอะไรอยู่กับผีดีงามหรือไม่ใส่ที่เจรณาล่างกายก็อวอก ว, ะวนวุ่นวายใส่ที่เจนณาอื่นเสียใส่ที่เจนณาผมก็ไปทางไหม่ที่เจนณาขนก็ไปทางไหม่ที่เจนณาอะไรใส่สมัย วกไปวนมาเยอะกว่าสงสัยในจิตในใจเราไม่มีวาสนาะทํามาขนาดนี้จิตยังไม่เดืรับผลดีอะไรพคงจะได้วาสนาะบารมียังไม่เพียงพอนี่เป็นตัวมารใหญ่สิ่งมาวอร์มจิตใจของเราให้หลุมหลงไปต่ามเราทําอะไรหม่สำเร็ผลสำเร็จประโยชน์ให้จะทําทอะไร ท, ทําริงจริงแจงด้วยความมีสัญชามีวิญญาณ มีจิตต์เอาใจใส่ฟับใส่จริงจังมันวอกวนออกไปสถานที่ใดให้รู้ให้เห็นมันใส่ทันกับเรื่อง้องจิตวกซิตออกไปและสอนตับท่าทางในถูกทางจิตเมื่อเรามีสติกำกับจิตรักษาจิตมีอย่างนั้นจิตมันจะเหลือวิใส่ของธรรมพระพุทธเจ้าไปไนดน้จะต้องยอมจำนนเชื่อ เกิดผลพอบังคับจริงจังต้องอยู่ในววิสัยเมื่อจิตมันอยู่ในสิ่งจิตตรงบนต้องการอย่างนั้นต้องการจะพิจารณาอะไรพิจารณาธาตุขันต์พอพิจารณาจริงจริงจังจังจนเห็นประจักษในเรื่องธาตุเรื่องขันต้องตนว่าไในใจสัตในใจบุคคลจะเจอ ข้าเสดเขาไม่เคยเราไม่เทันเห็นจริงจังอย่างนั้นจิดมันจะไปคนยึดมั่นถืมั่นอย่างไรเพราะอะไรคือเราเห็นชัดเจนแล้วจะต้องหายสงสัยไม่มีการสงสัยอีกคือเราสงสัยก็คือเราไม่เห็นชัดเจนนั่นเองในแบบวัาถูกภายนอกหรือภายในถ้าเห็นชัดเจนแจ้งใครจากแล้วหายตสงสอยเดี๋ยวก็ขาดสงขันคือเราไป สมมติมันหมายว่าหญิงวายชายว่าสวยวางามอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ชายที่จะรด้น่าจริงจังเห็นชัดใส่ใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรคอาใจตามเป็นจริงเด็กเด็สันตัญยามันมันเป็นอย่างไรคอยใจอย่างนั้นเพราะในธาตุในฉันทุกสิ่นทุกส่วนล้วนแต่เป็นของสกปบสดนี่ใช่ว่าเราตำหนิตามจริงเป็นอย่างนั้น ธาตุขันของหญิงก for ็ต่างของชายกว่าต่างไม่มีที่ไหนมันสวยมันงามตกออกมาทางต่าอยียดนามลายยูเครเนียดก็ต่างจนเป็นของไม่สวยไม่งามโตออกมาทางจ้หนูก็เหมือนกันใมหน้าดูไหลออกมาจากชาวอันใดล้วนแต่ของโสมโคกสมป่งเท่านั้นมาจนของหน้าชมหน้าดมน่ารักไม่จนของหอมหวนเป็นของสีเน่าที่เหม็นเป็นของสีตะติกูลทั่วไป ้าใจเห็นเดินชาติอย่างนั้นขาตขันอันนี้เหมือนกันกับสุ่มสกมสีคือนีความโกโครกเราก็ไม่หลงเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่ยินดีแต่ท้าว่าอาศัยธาตุขันอันนี้เหมือน ก, นกันกับคนที่อาศัยศาสร์ศพเกาะแ้ามเนนะถ้าหากในนี้ศาสรศพเราจะข้าม ไปโดยกําลังลําพังตัวกบตัวจะข้ามไม่ได้ ก, ก็อาศัยเกาะศากศพเน่าไปอย่างนั้นแหละพอไปถึงฝั่งเมื่อใดจะขึ้นมือนั้นอย่างศากศพเพราะเป็นของกติภูมมีอตาเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นรูปล่างกายหญิงชายก็เป็นศากศพอันหนึง่งเอาให้ศาสศพอันนี้สร้นนสางคุณงามความดีให้เกียรตความบริบูรเ์แถนั้นนิใั่เราจะมาหลงผ่านหลงขัน นี่ใจว่าเราจะมาลืมนี่ว่าลืมตัวว่าดีอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้ความทุกในธาตในขันธ์ที่เรามาอาศัยธาตุพิจารณากันก็พอจะเห็นแต่บรรทุกอย่างไรการเกิดขึ้นมาอาศัยธาตอาศัยขันธ์ก็พอที่พวกเราทุกท่านทีพิจารณาได้เศษนั้นเรื่องของธาดุของขันธ์จึงเป็น มหาอิทยาอสำหรับที่ผู้ทีมีจิตใจจะต้องศึกษาหาความรู้จากธาตุจากขันธ์เพราะมรรคผลธรรมวิเศษมีอยู่ในนี้ไม่ไม่มีอยู่ที่อื่นถ้าพุทธเจ้ารู้ถ้าพุทธเจ้าคอยใจก็คอยใจในธาบแในขันธ์ในคอยใจส่วนอื่นรู้เรื่องธาตุขันธ์ชัดเจนเห็นไปจาก เมื่อรู้ของตัวอย่างไรเรื่องคนอื่นไม่จ้องสงสัยเป็นโลการิทูการเกิดอีจะเป็นกีพกีชาตกว่าตามถาม้าเป็นธาเป็นขันแล้วจะต้องนำทุกข์มาให้จะไปเกิดในสถานที่ใดไ ม, ไ, ไม่ว่าประเทศไทยประเทศฝรั่งไม่ว่าประเทศใดก่อตามจริงๆมีธาตุมีขันเราจะทุกข์ด้วยกันไม่มีบุคคลผู้ใดจะมีความสุขความสบายธาตขันเป็นของใหม่เพียง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรเข้าใจคาดเสียงจะไปเกิดที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นจะไปหลงที่ไห น, หน่ ะ, ะรู้แจ้งเรื่องของขาดขันตนก็รูดพั่วไปในเรื่องโลภไม่มีการรุ่มการหลงรู้นี่แหละท่านว่นาเป็นโลกับวิทูจะจะจะไปรู้ทุกข์ยอมยากรู้ไปทุกสิ่งทุกประการรู้สิงนหนึ่งสิงใด ภาในใจท่องตนในธานตุขันธ์ท่องตนสัตว์บุคคลทั่วไปเหมือนกันใม น, นี้อะไรแตกต่างกันรูธาตุขันธ์ท่องตนก็ไม่หลงธาตุขันธ์ของบุคคลผู้อื่นจึงควรศึกษาจึงควรคิดนิพิจณ์เพื่อสอนใจท่องตนไม่ให้ลุ่มหลงในเรื่องเหล่านี้หนีไม้ถึงผู้ที่มุ่งหวังตั้งใจอยากจะขชามโลกไป ยืนก็จะไม่อยู่หิวก็จะไม่อยู่จนก็จะไม่อยู่ตายก็จะไม่อยู่อย่างไรก็จะปฏิทินปฏิบัติเข้าใจหนุนคนในชาตินี้ไย่ยอมเกิดอีกตาอีกความมุ่งมั่นอย่างนั้นก็มีกําลังแข็งแรงในการปฏิทินปฏิบัติเมือ่อมีกําลังแข็งแรงเพียงพอบริบูรณ์ทุ่มเทความขาดความเพียรลงไป หนักหนาเท่าเอาใจปักใส่ให้ทําสม่ําเสมอทีนี้พิจารณามาอยู่ใม่ถอยจิตใจคี่ถูกบังคับบัญชาอย่างนั้นจะมีวันมีเวลาเจริญเก้าวน้ละชั่วห่างออกไปทุกวันทุกเวลาจะเป็นโซดาเศรษฐาคาณาชาหรืออาหารใดๆถ้าหากไม่ทีนี้พิจารณาอย่างนั้นจะไปเมาเอาเชื่อว่าเรายัง วาดนาไม่เพียงพอสร้างบาลณียังไม่พอก็เป็นเรื่องที่จะทำจิตใจทเราให้ยอ่อทเพอหรือถอยหลังประทุษปฏิบัติไปม่ได้งกวนอยู่กับเรื่องของโลกเรื่อยไปนี่หมายถึงนัก บ, บวชส่วนคาวาัสอยากยมปูึุงห น, หนามุงตาอยากจะมาเกิดอยู่ในวัฏจาทรสสารอีกต่อไปยังไม่เบื่อไม่นายในการเกิดการตายของตน แต่อยากมีความสุขความสุขของการเกิดมีขนาดไหนเราก็พอจะคิดพิจารณาได้เก่ยบความสุขของการเกิดที่เราเกิดมาสุขกับหลับกับนอนกับอยู่กับกินสุขกับกบารอารมณ์ต่างๆเราก็พอรู้ได้คือการผ่าน ม, มาทางกายทางใจของเราภาพิต่อต่อไปความสุขของกายก็ยังแค่นี้แหละ จะมีมากมาย ก, า, กายกองอาหารการกินดาบบินแต่ก่อปากท้องอันเก่าเนี่ยอื่แล้วเป็นพอที่รับที่นอนกับห้องเตานี่แหละไม่แปลกต่างอะไรเพีแงแค่นี้แหละความุขในโลกแต่เรายังชอบยังยินดีก่อสร้างผลงามความดีที่จะให้เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปผู้ศษัทาอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ ภูจักจะเกิดเป็นเทวดาพุทธิดาผนังสร้างคุณงามความดีเทวีคูณขึ้นสูงกว่ามนุษย์ขึ้นไปจึงจะได้สมบัติของเทวดาพุพธิดานี่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลายแง่หลายมุมมีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันกับบ้านเศรษฐีมีขายทุกสิ่งทุกอย่างพู้ที่มีแต่ตางนิดหน่อยไปหาซื่อของเขาที่ราคาถูกๆเขาก็มี ขายให้ผู้มีเงินแสนเงินลานไปซื้อของที่มีราคามากเขาก็มีขายให้พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้ที่มีทำมากม า, กายก่ายกองอย่างนั้นผู้ปราชนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิทานสมบั ต, บ ต, บ ต, บติได้ทช่นนั้นเพราะจะให้ตั้งใจเข้าไปถึกสาเข้าไปหาทำของพระพุทธเจ้าจได้จต่ตามความงมงมาปราถนา แต่อย่าลืมอย่างอิที่บาทสัญชาติวิญญาณจิตต้ายิมังสาที่จะได้ตามความปรารถนาเพราะอาศัยทำสี่ประเภทนี้ ส, หสาหาสขาดทำสี่ประเภทนี้นี่จะการปรารถนาอย่างเดียวแต่ในการทำเหตุที่จะให้เกิดผลถึงจะปรารถนาเท่าไร่เกิดแล้วเกินเล่าตายแล้ ว, ต า, ลวตายเล่าก็ไม่มีวันที่จะประสบ สมความมุม่งมาศาสนาของตนดับเดืนนั้นเราทุกคนที่เคยได้รดับรับฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามา <c oughs> จงนำธรรมะนี้ไปค้นวิจัจนะหากเห็นว่าเดนทางดีทางชอบก็ควรประกอบประเจศปฏิบัติตามในอวสารการอธิบายธรรมะนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญขุยศนทั้งหลาย ตามรักษาทัา น, นัาปฏิบัติทั่วไปเศร็จความมุ่งมาตาา่าทนะของตนทุกส่วนหน้าเทนินเยวงัง